เป็นสวากาโตภะวัตาธรรมโมธรรมะอันประภูมิพระพากเจ้าตรัส ด, ดีแล้วสันดิธิโกอันภูปฏิบัติตภูได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโก ไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปะนญิโกควรน้อมเข้ามาและปัจจัตตังเวริสโบวินยูหิอันวินยูผู้รู้คึงรู้เฉพาะตน ดังนี้ธรรมะทุกข้อทุกบทย่อมประกอบด้วยลักษณะที่เป็นประธรรมคุณทั้งหกบทนี้และได้กำลังแสดงอธิบายในข้อที่หกที่มุ่งถึงหูรู้พึงรู้เฉพาะตนและ ในการอธิบายก็ได้ยกเอาสติปัฏฐานทั้งสี่มาอธิบายเข้าในพระธรรมคุณตั้งแต่ในพระธรรมคุณมดขัง้งตนจยับแแสติปัฏฐานต่างสติ กำหนดพิจารณากายอันเป็นข้อที่หนึ่งกำหนดพิจารณาเวทนาอันเป็นข้อที่สองกำหนดพิจารณาจิตอันเป็นข้อที่สามและกำหนดพิจารณาธรรมอันเป็นข้อที่สี่โดยที่ ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาโดยลำดับและโดยเฉพาะในข้อจิตและข้อธรรมนี้ก็ไดแสดงอธิบายมาแล้วเป็นการทำความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกัน และในส่วนจำเพาะของข้อซึ่งก็จะได้แสดงอธิบายในข้อตั้งสติกำหนดพิจารณาธรรมต่อไปแต่ก็ควรที่จะ ได้กลับกล่าวย้อนถึงอนุสนธิคือความต่อเนื่องกันสักเล็กน้อยคือเมื่อจับพิจารณาจิตรู้จิตก็ยอมจะรู้ธรรมะในจิตด้วย เพราะว่าจิตเป็นอย่างไรก็สุดแต่ธรรมะที่ตั้งอยู่ในจิตดังเช่นจิตมีราคะก็เพราะมีราคะตั้งอยู่ในจิตจิตมีโทสะโมหะก็เพราะมีโทสะโมหะตั้งอยู่ในจิตคือเมื่อ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 ก็เพราะมีราคะตั้งอยู่ในจิตจิตมีโทสะโมหะก็เพราะมีโทสะโมหะตั้งอยู่ในจิตลำพังจิตเองนั่นเป็นกลางกลางเพราะฉะนั้นในอภิธรรมจึงได้แสดงถึงจิตและเจตสิก เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองรูปและนิพพานเป็นข้อที่สามข้อที่สี่และโดยเฉพาะจิตเจเตสิกนี้เจตสิกก็คือธรรมะที่เกิดขึ้นในจิตโดยทั่วไปก็คือธรรมะในข้อธรรมานุ ป, ปัสสนานี้เอง เป็นธรรมะที่บังเกิดขึ้นในจิตฉะนั้นเมื่อกำหนดดูจิตก็ยอมจะเห็นธรรมะที่ตั้งอยู่ในจิตหรือเจตสิกดังกล่าวนี้ด้วยถ้าไม่มีธรรมะตั้งอยู่ในจิตตัวจิตเองก็เป็นธรรมดา ไม่เป็นอะไรคือไม่เป็นไ่ดีหรือฝ่ายชั่วจะ ก, กล่าวว่าเป็นกลางๆ ก, ก็ได้จิตก็คงตั้งอยู่ในสภาพเป็นธาตุรูปที่เรียกวิญญาณธาตุธาตุรูปและ มีลักษณะที่ประพัดสอนคือผุดผ่องความประพัดสอนคือผุดผ่องกับความเป็นธาตุรู้เป็นธรรมชาติธรมรมดาของจิตเพราะฉะนั้นลำพังจิตเองทันจึงเปรียบเหมือนน้ำที่ไม่มีสี และว่าน้ำนั้นกลายเป็นน้ำมีสีก็เพราะเมื่อมีสีแดงผสมก็เป็นน้ำสีแดงมีสีเขียวผสมก็เป็นน้ำสีเขียวมีสีเหลืองผสมก็มีน้ำสีเหลืองดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นกิจที่ เป็นจิตมีราคะหรือมีโทสะมีโมหะก็เพราะมีราคะหรือโทสะโมหะเข้าผสมและเมื่อมองดูจิตที่เป็นอย่างไรก็จะต้องเห็นธรรมะที่ผสมอยู่ในจิตด้วยเหมือนอย่างมองดูน้ า, นาที่ผสมสีก็ยอมจะเห็นสีของน้า เป็นสีแดงสีเขียวเหลืองเป็นต้นดังกล่าวนั้นด้วยเพราะฉะนั้นจึงพึงทำความเข้าใจเป็นพื้นฐานหลังนี้และก็พึงทำความเข้าใจต่อไปอีกว่าอันธรรมะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ในจิตนั้น เมื่อกล่าวรวมเข้ามาก็เป็นสามคือเป็นอกุศลธรรมธรรมะที่เป็นอกุศลเป็นกุศลธรรมธรรมะที่เป็นกุศลเป็นอัพยกัธรรมธรรมะที่เป็นอพยกรกิรคือเป็นกลาง ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลธรรมะที่ตั้งอยู่ในจิตก็รวมเข้าเป็นธรรมะสามกองหรือสามชนิดดังนี้และจิตที่เป็นสามัญซึ่งเรียกว่าเป็นกามาวจรจิต จิตที่ท่องเทียวอยู่ในกามอย่างลงในกามนั้นก็ย่อมเป็นจิตมีราคะมีโทสะหรือมีโมหะซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ปฏิบัติในจิตสานุปัสสนากำหนดพิจารณาจิต ดูจิตก็ทรงตั้งตนว่าจิตมีราคะหรือปราศจากราคะก็ให้รู้ดังนี้เป็นต้นเพราะพื้นขุงกิจที่เป็นก a า m a ผจรของโลกทั่วไปนั่นก็ยอมประกอบด้วยกิเลสสามกองนี้อยู่ด้วยกันฉะนั้น ตรัสสอนให้กําหนดรู้จิตมุ่งดูทฤษสวจิตว่าเป็นอย่างไรคือจิตมีโลคะราคะหรือปราศจากราคะเป็นส้นหอยรู้ดังนี้แล้วจึงได้ตรัสสอนให้ตั้งสติกําหนดดูธรรมะที่บังเกิดขึ้นในจิตโดยตรงเป็นข้อที่สี่อันนับว่าเป็นข้อสําคัญ เพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนตั้งตนให้กําหนดดูจิตอันประกอบด้วยนิวรณ์ทั้งห้าก็คือดูนิวรณ์ทั้งหา้ามุ่งดูนิวรณ์ทั้งหา้งหาที่มันเกิดขึ้นในจิตนิวรณ์ทั้งหา้านี้ก็คือ ราคะโทสะโมหะนั่นแหละแต่ว่าตัดขยายออกไปเป็นข้าและเรื่องนิพนทั้งห้านี้ก็นในแสดงแล้วทั้งคำว่าชื่อของนิพนธ์คำคือพร้อมทั้งคำว่านิพน แปลว่าอะไรหมายถึงอะไรและห้าคอนั้นมีอะไรบ้างและทั้งห้าคอนั้นก็รวมเข้าในกิเลสสามกองคือราคะโทสะโมหะนั่นเองตัดสอนให้กำหนดดูนิวรณเหล่านี้ที่บังเกิดขึ้นในจิตนิวรณข้อไหน มันเกิดขึ้นในจิตก็ให้รู้และให้รู้ถึงประการที่ทำให้นีวอลเกิดขึ้นให้รู้ถึงประการที่จะละรีวอนได้ให้รู้ถึงประการที่จะปฏิบัติทำรีวอนที่ละแล้ว ไม่ให้บังเกิดขึ้นอีกและประการตั้งปวงดังที่กล่าวมานี้ก็เลยมีพระพุทธะอธิบายไว้จำพาะข้อจำเพาะข้อโดยประการต่างๆแต่ว่าในที่นี้ได้เว้นประการอื่นสแสดงจับเข้ามา ตามสายของขันอาญตนะสัญญต่ตรัดว้ตามลาดับในข้อธรร ม, มานุ ป, ปัสสนานี่แหละไม่ยกมาจากที่อื่นก็คือว่าประการที่ทำให้รีบอลเกิดขึ้นตั้งอยู่ในจิตก็ได้แก่ สัญญตคือความผูกใจในอารมณ์คือเรื่องที่ผ่านทางอาญตนะมีตาหูเป็นจนเมื่อเกิดอารมณ์คือเรื่องที่จิตนี้รับเข้ามาทางอาญตนะ มีตาหูเป็นจ้นก็มีสัญญาต์คือผูกคือจิตผูกอยู่กับอารมณ์หรืออารมณ์ผูกอยู่กับจิตตัวความผูกนี้เองก็ทำให้แสดงอาการเป็นผูกใจชอบดังนี้ก็เกิดเป็นการมาชันขึ้น อกใจโกรธก็เกิดเป็นโทสะพยาบาทขึ้นหูกใจหลงก็เกิดเป็นผีนมิทะความงุ่มงมุ่เคลิบอเคล่ออุตจะกุกจัความฟุ้งซ่ารนรำคาญวิจิกิชา้าความเคลื่อแพรงสงสัยแต่ว่าสำหรับข้อความํำคาญ ที่คู่กับความฟุ้งซ่านนั้นพระอาจารย์ท่านจัดเข้าในกองโทสะก็มีก็เป็นอันว่าตัวสัญญอ์คือผูกใจนี่แหละเป็นต้นนำให้เป็นนิวรนขึ้นมาทั้งห้านั้นดังนี้ก็ได้แสดงมาแล้วในวันนี้ก็จะได้ กล่าวเพิ่มเติมตามระพุทธเโอวาทอีกว่าอันนิวรสัญญอหูใจดังที่กล่าวมานี้ก็อาศัยขันห้าอายจตนาหก เหล่านี้แหละบังเกิดขึ้นทุกคนมีขันห้ามีอาจตนะหกมาตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดก่อขึ้นในขันของมารดาก็เริ่มมีขันห้ามีอาจตนะหกจนถึงเมื่อสมบูรณ์จึงได้คลอดออกมามีขันห้ามีอาจตนะทั้งหก เว้นไปแต่บางคนที่บกพร่องเป็นคลอดออกมาขั้นห้าอาจตนาหกบางอย่างพิกลพิการเกินวัดตาบอดเป็นตนราะฉะนั้นขั้นอาจตนะเหล่านี้จึงได้ชื่อว่า เป็นวิบากขันขันที่เป็นบิบาบิบาอาจตนาะอาจตนะคือบิบา ค, คือเป็นผลของกรรมเก่าโดยเฉพาะก็คือชนั ก, กรรมกรรมที่นำให้เกิดมาตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้และขันห้า และอาจจนตนะหกเหล่านี้เมื่อเป็นวิบากจึงเป็นของกลางกลางไม่ขีบุญไม่ขีบาบเราเป็นตัวผลแต่ว่าก็เป็นที่อาศัยบังเกิดขึ้นของกิเลสของบุญและบาปแต่ตัวขัน ว่าอาเจตนาเองไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปในข้อนี้เมือนึกเทียบดูอย่างง่ายๆเช่นคนที่จะไปตีใครก็ต้องใช้มือตีหรือว่าเอามือจับไม้ไปตีเขาคนที่ตีนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ตี และชื่อว่าด้ยกระทำการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการตีเป็นผู้ที่ได้กระทำความชั่วอันเป็นบาปเพราะเหตุที่หรือในข้อที่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยการตีแต่ว่ามือหรือไม้ที่ใช้ตีเขานั้นไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปแม้เมื่อ ใช้มือหยิบของทำบุญเช่นใส่บาตรพระหรือว่าให้แก่ผู้ที่ควรสงเคราะห์เป็นการทำทานผู้ที่กระทำนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำบุญทำทานแต่ว่ามือที่หยิบของให้คราวนั้นไม่ชื่อว่า เป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างไรเราเป็นเครื่องมือสำหรับที่จะใช้ดังที่กล่าวมา น, นี้ก็ยกขึ้นเป็นตัวอย่างเพื่อแสดงว่าขันอาจตนะนั้นไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปแต่เป็นเครื่องมือสาหรับที่จะทำบุญทำบาปได้การทำบุญทำบาปก็ต้องอาศัยขันอาศัยอาจตนะทำ ผู้ทำก็เป็นบุญเป็นบาปแต่ว่าขันอาญานั้นไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเพราะฉะนั้นขันอาญตนะนี้จึ่งเป็นกลางกลางกันเรียกว่าอัพยากัธรรมธรรมะที่เป็นอัพญากฤจไม่ยืนยันว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปแล้วพุทธเจ้าทรัน ดัดแสดงธรรมามสสนาุปัสนาติปัฐานเริ่มด้วยข้อนอิวรต่อจากข้อนอิวรณจึงได้ทรงแสดงขันห้าคือขันเป็นที่ยึดถือตั้งห้าประการอันได้แก่ตั้งสติกำหนดพิจารณาให้รู้จักขันห้า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 ตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพร้อมทั้งความเกิดพร้อมทั้งความดับมาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้สำหรับวางกัาหลดดูให้รู้จักพร้อมทั้งความเกิดความดับนี้พึงตั้งสติกำหนดพิจารณาดูตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ก่อนให้รู้จักว่ารูปก็คือรูปประกายอันนี้อันประกอบขึ้นโดยธาตุทั้งสี่เวทนาก็คือความรู้นี้เองซึ่งเป็นความรู้สุขรู้ทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุข เพราะว่าที่จะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายทางใจที่มันเกิดขึ้นแก่ทุกทุกคนก็โดยที่ทุกทุกคนรู้นี่เองเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขก็เป็นขึ้นด้วยความรู้ถ้าไม่มีความรู้แล้ว อาการที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกขไม่สุข ก, ก, ก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นตัวเวทนานี้จึงเป็นตัวรู้ดังจะบึงเห็นได้ว่าเมื่อฉีดยาชาที่ร่างกายและหมอก็ทำการผ่าตัดที่ร่างกายตรงนั้นไม่ปรากฏเป็นทุกข์ก็เพราะว่าไม่มีตัวรู้ อยู่ที่ร่างกายส่วนนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีตัวรู้หมอจะทำอะไรก็ไม่มีเจ็บทุกขเวทนาก็ไม่เกิดหรือแม่สุ ข, ขเวทนาก็ไม่เกิดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นที่เรียกว่าสุขทุกข์หรือเป็นกลางกลาวไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายทางใจจึงอยู่ที่รู้นี่เอง รู้ที่มีอาการสบายก็เรียกว่าสุขรู้ที่มีอาการไม่สบายก็เรียกว่าทุกข์รู้ที่มีอาการเป็นกลางๆงก็เรียกว่าไม่ทุกข์ไม่สุขก็ให้รู้จักว่านี่คือเวทนามาถึงสัญญาก็ให้รู้จักว่าก็คือความจำได้หมายรู้ที่จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผดสะพะจาเรื่องราว อะไต่างๆได้นี่ก็คือสัญญาสังขารก็คือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดทางใจก็คิดเรื่องรูปบางเรื่องเสียงบางเรื่องกลิ่นบางเรื่องรสบางเรื่องผลิตภับางเรื่องของเรื่องต่างๆเหล่านี้บ้างคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างคิดเป็นกลางๆบ้างนี่ก็เป็นสังขารการเห็นการได้ยินการทราบ การคิดการรู้ต่างๆเหล่านี้ก็เป็นวิญญาณแม่สัญญาสังขารวิญญาณทั้งสี่นี้แม่สัญญาสังขารวิญญาณทั้งสนี้การเห็นการได้ยินการทราบการ การรู้ต่างๆเหล่านี้ก็เป็นวิญญาณแม่สัญญาสังขารวิญญาณทั้งสี่นี้แม่สัญญาสังขารวิญญาณทั้งสามนี้ก็เป็นความรู้อีกเหมือนกันถ้าไม่มีความรู้อยู่ก็ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นสังขารไม่เป็นวิญญาณ แต่ว่าความรู้นั้นเมื่อเป็นความรู้จําก็เป็นสัญญารู้คิดปรุงนึกปรุงคิดก็เป็นสังขารรู้เห็นรู้ได้ยินก็เป็นวิญญาณเพราะฉะนั้นก็ทําความรู้จักขันธ์ห้าดังนี้ที่ตนเองรูปอย่างนี้เวทนาอย่างนี้สัญญาอย่างนี้สังขารอย่างนี้วิญญาณอย่างนี้ และก็ให้รู้ความเกิดความดับวัดทั้งห้านี้ก็มีความเกิดความดับเป็นธรรมดาและประการที่ทําให้เกิดเป็นอย่างไรประการที่ดับเป็นอย่างไรก็ต้องกาหนดไปตาม ข้ออาญตณะได้ก็เกิดดับทางอาญตนะนัน่นแหละแต่ว่าในวันนี้อธิบายเพียงเท่านี้เกิดดับของขันห้าทางอาญตนะอย่างไรจะได้ไปว่าในข้ออาจตณะต่อไปตลอดจนถึงกิเลส ท, ที่สืบเนื่องต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป